144กันทนการะกะวัตถุว่าด้วยการก่อความบาดหมางข้อสองสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเคยเห็นเคยคบกันมาเข้าจะบรรษาณอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลภิกษุเหล่าเอื่นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อแฉวก่อที่ก่อนในสงก็เข้าจะบรรษาณที่ใกล้เคียงกับภิกษุเหล่านั้นด้วยประสงค์ว่า ในวันปวารณาพวกเราจักงดปวารณาของพวกภิกษุที่เข้าจำบัญษาเหล่านั้นเสียภิกษุเหล่านั้นได้ทราบข่าวว่าภิกษุเหล่าอื่นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาก่อที่ก่อในสงก็เข้าจำบรญษาหนาที่ใกล้เคียงกับภิกษุเหล่านั้นด้วยประสงค์ว่าในวันปวารณาพวกเราจักงดปวารณาของพวกภิกษุที่เข้าจำบัญษาเหล่านั้นเสียดังนี้พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรเนาะ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุหลายรูปเคยเห็นเคยคบกันมาเข้าจําบรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งภิกษุเหล่าอื่นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิบาทก่อความอื้อฉาเก่อที่ก่อนในสงก็เข้าจําบรรษาหน้าที่ใกล้เคียงกับภิกษุเหล่านั้นด้วยประสงค์ว่า ในวันปวารณาพวกเราจะงดปวารณาของพวกภิกษุที่เข้าจะบรรษาเหล่านั้นเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทำสองและ 3. อุโบสถให้เป็นอุโบสถวัน14บ่ค่ำด้วยประสงค์ว่าจะไหนพวกเราพึงปวารณาก่อนภิกษุพวกนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาว ก่อที่ก่อนในสงฆ์พวกนั้นพากันมาสู่อาวาสนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสเหล่านั้นพึงรีบประชุมปรวรรณากันโดยเร็วพันแล้วพึงบอกว่าท่านทั้งหลายพวกเราปรวรรณาเสร็จแล้วท่านทั้งหลายสําคัญอย่างใดจงทําอย่างนั้นเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่อที่ก่อนในสงฆ์พวกนั้นไม่แจ้งให้ทราบก่อนมาสู่อาวาสนั้น ภิกษุที่อยู่ในอาวาสเหล่านั้นพึงปูอาสนะจัดอาสนะน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาดและจีวรต้อนรับด้วยน้ําดื่มทำภิกษุพวกนั้นให้ตายใจแล้วไปปรณานอกสีมาครั้นแล้วพึงบอกว่าท่านทั้งหลายพวกเราปรนนานเสร็จแล้วท่านทั้งหลายสําคัญอย่างใดจงทําอย่างนั้นเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ ภิกษุที่อยู่ในวัดผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิกษุที่อยู่ในวัดทั้งหลายทราบว่าขอภิกษุที่อยู่ในวัดทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วบัด น, นี้เราพึงทำบุโบสถพึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงพึงประวรณาในกาลปักที่จะมาถึงเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิบาวก่อความอื้อฉาว ก่อที่ก่อนในสงนั้นจะพึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าดีละท่านทั้งหลายขอจงปรวรนาต่อพวกเราในบัดนี้เถิดภิกษุเหล่านั้นพึงถูกว่ากล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านไม่เป็นใหญ่ในปรวรณาของพวกเราพวกเราจะยังไม่ปรวรณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพวกก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิบาทก่อความอื้อเ้าก่อที่ก่อนในสง พวกนั้นจะพึงอยู่จนถึงกาลรปากนันไสภิกษุที่อยู่ในวัดผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิกษุที่อยู่ในวัดทั้งหลายทราบว่าขอภิกษุที่อยู่ในวัดทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วบัดนี้พวกเราพึงทําบุโบสถพึงยกปาทิโมกข์แสดงพึงประวรณาในชุนหักปักที่จะมาถึงเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความบิบาทก่อความอื้อเฉาว ก่อที่ก่อนในสงนั้นจะพึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าดีละท่านทั้งหลายขอจงปรวรณาต่อพวกเราในบัดนี้เถิดภิกษุเหล่านั้นพึงถูกว่ากล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านไม่เป็นใหญ่ในปรวรณาของพวกเราพวกเราจะไม่ปรวรณาก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะลาะก่อความวิบาทก่อความอื้อเฉา ก่อที่ก่อในสงนั้นจะพึงอยู่จนถึงชุนหปักแม้นั้นไสตภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดไม่ประสงค์จปะปวรณาก็ต้องปรวรณาในวันเพ็ญเดือนสิสองอันเป็นวันที่ครบสี่เดือนที่จะมาถึงเท่านั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นกําลังปรวรณาอยู่ภิกษุไข่งดตปรวรณาของภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ภิกษุนั้นพึงว่ากล่าวว่าท่านกําลังเป็นไข้ภิกษุไข้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่อดทนในการสักถาม ท่านขอท่านจงรอจนกว่าจะหายเป็นไข้ท่านหายไข้แล้วเมื่อจำงจึงค่อยโจดดังนี้ถ้าภิกษุนั้นถูกว่ากล่าวอย่างนี้ยังคืนโจดต้องอบัดบาจิตตีเพราะไม่เอื้อเฟือ้อภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นกำลังปรวรณาอยู่ภิกษุผู้ไม่เป็นไข้งดปรวรณาของภิกษุไข้ภิกษุนั้นถูกว่ากล่าวว่าท่านภิกษุนี้กาลังเป็นไข้อัน ผู้เป็นไข้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่อดทนในการซักถามท่านขอท่านจงรอจนกว่าภิกษุนี้จะหายเป็นไข้ท่านจําำงจึงค่อยโจทภิกษุผู้หายไข้แล้วดังนี้ถ้าภิกษุนั้นถูกว่ากล่าวอย่างนี้ยังคืนโจรต้องอบัตรบาจิตติเพราะไม่เ อ, อื้อเฟื้อภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นกําลังปรนน่าอยู่ภิกษุไข้งดปรนรณาของภิกษุไข้ภิกษุไข้นั้นถูกว่ากล่าวว่า ท่านกำลังเป็นไข้ภิกษุไข้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่อดทนในการซักถามท่านขอท่านจงรอจนกว่าพวกท่านจะหายเป็นไข้ท่านหายไข้แล้วเมื่อจำลองจึงค่อยโจทย์พิษุนั้นผู้หายไข้แล้วดังนี้ถ้าภิกษุไข้นั้นถูกว่ากล่าวอย่างนี้ยังคืนโจทย์ต้องอบัตรปาจิตตีเพราะไม่เอื้อเฟือภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นกำลังปวรณาอยู่ ภิกษุผู้ไม่เป็นไข้งดปรวรณาของภิกษุผู้ไม่เป็นไข้งดปรวรณาของภิกษุผู้ไม่เป็นไข้สวงพึ่งสอบสวนทั้งสองฝ่ายแล้วปรับอวัตตามธรรมปวรณาเถิด